พระไม่มาฉันพร้อมกันพระยี่สิบสี่รูปมาฉันสิบเก้ารูปตามที่พระเวียนเขาบอกแล้วก็มีนาคนาคสี่แต่นาคนาคหนึ่งเป็นนาคไม่มีกำหนดว่าจะบวชเมื่อไรเพราะนั้นไม่เรียนาคแต่อีกสามนาค อันนี้มีธุระจาเป็นว่าจะบวชบวชเร็วแล้วก็บวชไม่นานเป็นนาคจากมาจากสหรัฐมาจากอเมริกาแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยไปอยู่อเมริกาลูกชายไปเกิดอยู่ที่อเมริกาไปเรียนจบจากอเมริกาพูดไทยก็ได้ได้บ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนกัน ส่งภาษากันกินข้าวต้มขนมได้เหมือนแล้วอยากจะมาบวชเมืองไทยมาบวชเมืองไทยก็มาบวชวัดมาอยู่ในป่ายางหากมาอยู่วัดแต่พี่ชายพี่ชายมาบวชนะเมื่อสองปีที่แล้วพี่ชายบวชเสร็จแล้วก็กลับไปก็ไปพูดให้น้องชายน้องชายก็จะมาบวช้วก็มาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเพราะนั้นมีเวลาจำกัด ถึงจะเร็วรีบขนาดไหนก็ต้องอยู่ในต้องให้ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ใช่ว่ารีบแล้วก็ข้ามกฎระเบียบของหลักธรรมวินยัยอันนั้นหลวงพ่อจะไม่ทํำนั้นที่จะมาบวชเนี่ยก่อนที่จะมาบวชหลวงพ่อก็บอกไปแล้วบอกว่าให้ท่องท่องไว้ก่อนนะ ท่องเอซาหัางพันเตสุจีรปริตเป็นภาษาบาลีคือท่องให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกทํานองที่วัดแล้วก็อย่างอย่างที่ว่านันนะก็ฝึกอย่างที่ว่าจริงๆเน่ะเรียนมาจากอเมริกาแล้วก็มาฝึกเมื่อวานสองสองสามวันนี่ได้ไหมพระบอกว่าได้ ฝึกได้พูดถูกต้องได้ผ่านได้ในเมื่อผ่านได้หลวงพ่อคือถ้าผ่านได้แล้วก็บวชไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าท่องยังไม่ได้เนี่ยไม่ให้บวชเพราะในหลักพระธรรมคําสั่งสอนที่บัญญัติวินัยยวินัยก็คือมีเหตุซะก่อนเพราะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อกนะ็คือพระกะระทําผิดซะก่อน พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกันผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามแนวแถวเดียวกันคือไม่ให้คิดได้คิดทําเหมือนกันองค์นี้คิดว่าดีทําไปองค์นั้นคิดว่าไม่ถูกต้องไม่ทําไม่ได้ต้องเด็ดเป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับ ประเทศชาติที่ว่าตั้งกฎหมายแล้วจะทมนูญปกครองประเทศชาติอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน พ, พระวินัยก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเพื่อปกครองสงฆ์แต่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ใหม่ท่านก็ยังไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์พระรุ่นเก่าๆ เ, เข้ามาบวชพอบวชเสร็จแล้วท่านก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจพระพุทธปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรม ศีลธรรมก็ไม่ไม่ใช่อื่นไกลศีลธรรมในท่าว่าไปแล้วก็คือกิริยามารยาทอย่าไปให้กระทบกระเทือนคนอื่นเขาถ้าเราไม่ชอบเราเห็นว่าไม่งามไม่ถูกต้องเราอย่าไปทําแล้วก็อย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้แหละคือหลักพระธรรมมีไหนสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้แหละคือหลักพวินัยของพระนะสินของพระสรุปแล้วอย่างสินข้อที่หนึ่งอย่าไปฆ่าสัตว์นั่นถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะถ้าเขามาฆ่าเราล่ะนะอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะเปรียบเทียบให้ฟังนะถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจพี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเราก็เสียใจถ้าเราไปเบียดเบียนเขาล่ะ เขาก็เส yeah, yeah, hey, ียใจถ้าเขามาเบียดเบียนเราล่ะเราก็เสียใจเพราะนั้นจะเบียดเบียนเขาอย่าไปลังแกเขาให้มีเมตตาต่อเขาเนี่แนะนําสิ่งที่มันไม่ดีให้มันให้มันดีให้มันถูกต้องเว้นเสียแต่ว่าแนะนํายังไงเขาไม่เอาทำยังไงเขาไม่เอาเป็นสันดอนเป็นสันดานมาแต่ยังไม่เกิดอันนั้นแปลว่าชั่วมาแต่มาแต่ดวงวิญญาณ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จับเข้าคุกซะวันนั้นไปขังขังเอาไว้อย่าให้มันมาเพีนพันธ์ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นแปลว่าความชั่วมาจากสันดานจริงๆเหือนกันแต่ถ้าไม่นอกนอกจากนั้นมาแล้วก็พอที่จะพูดกันได้แนะนํากันได้กแนะนําสั่งสอนกันนี่คือกฎระเบียบพินัยของพระสงฆ์ก็เช่นนั้นอ่ะอันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับการบวชเลยเมื่อ ผู้ที่จะบวชในครั้งพระพุทธเจ้าพอบวชก็มาพระสงฆ์มากๆพอคนนั้นก็ บ, บวชองค์นี้ก็บวชพระพุทธเจ้าก็บวชเองบ้างจากนั้นพระสงฆ์ก็บวชลูกศิษย์ตามที่เขาเคารพนับถือบ้างแต่บางองค์รู้เท่าไม่ถึงการคือตัวเองมีศรัทธานนมันมีศรัทธาแน่วแน่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในประธรรมคํำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าอย่าง อย่างร้อนเหลืออย่างลึกซึ้งอย่างนั้นแต่ตัวเองคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่จะตามมานั้นจะเป็นเรื่องยุ่งยากเนีพอเห็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใครๆก็ตามพอไปเห็นข้างนนถนนหนทางหมามาบวชบวบวชโมลิขานเรามีบัดกีบอลเรามีอ่ะบวชโป้ยผมมยายังบวชท่านอาจารย์ผมยังไม่อยากบวชผมมีธุระอยู่ไม่เป็นไรทิ้งไว้มาบวชก่อน ลักษณะอย่างนั้นแลงั้นเลเอพอนิสโธเขาเลยจับบวชคนทุกแห่งทุกคนทีนี่องนั่นก็บวชองนี้ก็บวชทีนี้พอบวชเข้ามาเขาไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาใจเขาไม่ได้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ทำตัวไม่ดีทีนี่บิณฑ บ, บาตกละลำบากบ้างาไม่มีอันจะ ก, กินบ้างอาพอนิสูก็ใจตัวเองก็ไม่ได้บวชทะเลาะกับมุงกับเพื่อนบ้าง เรื่องราวก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมา เ, าเนี่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เลยกลับทูลพระพุทธเจ้าโอพระสงฆ์รุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้ทําไมบอกยากเหลือเกินไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมด้วยไม่เหมือนรุ่นเก่าพระพุทธเจ้าก็ต้ อ, อกับประชุมสงฆ์เนี่ยพอมีเหตุพราอมีเหตุขึ้นมาก็ประชุมสงฆ์พอประชุมสงฆ์กันถามดูนะสักไซไล่เลียงทำใหม่ ทำไมพระสงฆ์จึงเป็นผู้ว่ายากสอนยากทำไมจึงไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยทำไมจึงออกนอกรูนอกทางทำไมพระสงฆ์จึงไม่มีฮิลิความละอายความละอายแก่ใจโอตปะความกลัวต่อบาศทำไมพระสงฆ์จึงทำตัวอย่างนี้ทีนี้ก็ต่างองค์ก็ต่างเสนอขึ้นมาว่าพระสงฆ์ผู้ที่เขามัดที่ได้รับตำหน่นะ มัถามเนี่ยในถามขึ้นมาเป็นยังไงเพราะผมไม่อยากบวชอุปชาอาจารย์จับผมมาบวชผมก็เลยผมไม่ได้บวชใจผมไม่ได้บวชแต่ผมผมแต่เพียงแต่ว่าได้ยูนิฟอร์มท่านี้เองอได้แต่เครื่องชุดเท่านเองแต่ใจของผมไม่ได้บวชใจของผมไม่มีศรัทธาเพราะมีผมมีธุระภาระอยู่แต่ผมบวชเข้ามาแล้วผมก็เลยใช้แบบชีวิตแบบคลาวะเนี่ย อันนี้ก็คือต้นเหตุถ้าอย่างนั้นทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ บ, บัญญัติวินัยขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามจะเอากุลบุตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องให้เป็นความจำงของเขาแล้วก็พร้อม ก, กันก็ให้เขาขอเจ้าก่อนคําขอของเขาต้องขออย่างนี้จากนั้นเอซ่าหัางพันเตขอพระเจ้าขอบวชในพุทธศาสนา ในคำแปลในนั้นเสร็จเลยเท่เนี่ยจากนั้นก็รับสินอีกท่นเนี่ยปานาติปาทินาการเมมุสาสุระจากนั้นพอบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยอีกว่าใครก็ตามเอาพระเข้ามาบวชแล้วอุปชาถ้าบวชก็อุปชาอุปชาย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้องสอนถ้าว่าอุปชาไม่รับผิดชอบก็มอบให้อาจารย์ คือให้อาจารย์ก็คืออาจาริโยมอุปชัยโยมอาจาริโยมอุปชัยเป็นผู้บวชแล้วก็มอบให้อาจารย์อาจารย์ก็ต้องรับภาระอีกว่าเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่ในกรอบหลักธรรมในยอย่างนี้อย่างนี้นะต้องอยู่กับอาจารย์เป็นเวลาห้าปีหนีจากอาจารย์ไม่ได้ต้องห้าปีคืออาจารย์เป็นผู้แนะนำอุปนิสัยเป็นผู้รับผิดชอบบินธบานยังไงลองผ้า ย, ยังไง อาหารการบริโภคจะง่ายอาจารย์ต้องเป็นผู้ดูแลตลอดถึงบริขารที่ของใช้ทุกอย่างอาจารย์ถึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูอันนี้แปลว่าเมื่อบวชเข้ามาเหมือนกับลูกตนเองไม่ให้ถือเป็นอย่างอื่นเหมือนกันคือลูกกันะอยู่กับอาจารย์อยู่กับอุปชาห้าปีถ้าวันนี้จากอุปชานี้จากอาจารย์ไปไปอยู่กับองค์อื่นไม่ได้ขอหนี้ใสไม่ได้เอื้อเฟื้อกับครูบาอาจารย์ เพียงแต่ไปอยู่เฉยๆปรับอบัติทุกกฎแก่ลูกศิษย์นั้นโอ้มีขั้นตอนเลยทีแต่ว่าอาจารย์เรยโยอาจารย์ลูกศิษย์ท่นี้อันเทวศิษย์อันเตวศิษย์คือลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนกันนี่อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยมีขั้นตอนในเมื่อดู่ถึงห้าปีแล้วไปวัดฤทิสัยมุตตกะ ไม่ขอที่ใส่จากอาจารย์ก็ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วแต่ในสายของครูบาอาจารย์พระ ก, กรรมฐานโดยมากถึงจะไม่เอื้อเฟื้อทางวิเนยแต่ก็เอื้อเฟื้อทางด้านจิตใจอย่างน้อยก็ต้องได้ศึกษาท่านจะต้องได้ชี้แนะชี้นาว่าสิ่งนั้นไม่ถูกนะสิ่งนี้ผิดนะอย่างเนี้ยศีลเป็นอยังไงนะสมาธิเป็นอย่างนี้นะก็ต้องได้อาศัยครูบาอาจารย์ พลังทางกิจิงขอนิสัยอยู่การการขอนิสัยเท่ากับไม่ว่าแปลว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยแต่สําหรับอาจารย์เนี่ยสั่งสอนลูกศิษย์ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างข้าวน้ําโภชนาะอาหารเวลาเก็บไข่ได้ป่วยทํำยัำยงไงเวลาเก็บไข่ได้ป่วยอาจารย์ปฏิบัติตัไม่ได้ก็ต้องสั่งให้ลูกศิษย์ไปดูนะไปดูพระ ท่านนั้นนะดูนะต้องการยาอะไรต้องการอะไรต้องดูนะถ้าว่าอาจารย์ปล่อยปาดละเลยไม่ให้ความสนใจปรับพบัตทุกกฎแก่อาจารย์แต่ขณะที่อาจารย์ยังอยู่ลูกศิษย์ทุกองค์ที่เข้ามาข อ, อนิสัยจากอาจารย์ต้องดูแลอาจารย์เลยเวลาล้างบาตรบักเวลาเก็บผ้าบักเวลาปัดกวาดทำความสะอาดเป็นหน้าที่ของศิษย์จะต้องดูจะต้องดูแล อาจารย์อาจารย์ก็มีหน้าที่ที่จะแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์สิ่งไหนที่ได้ประสบะการณ์มาสิ่งไหนที่รู้มาอย่างไงเห็นอย่างไงก็พยายามถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ต่อไปภายภาคหน้าเพื่อจะให้ลูกศิษย์มีความรู้ความรอบคอบความฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาถ่ายทอดกันออกมาเป็นทอดๆ อ, อย่างนี้แหละท่านไม่ใช่嘛พอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นครวาญญาติโยม เป็นด็อกเตอร์มาแล้วจะเอานิสัยด็อกเตอร์มาใช้ไม่ได้นะต้องสยบเพราะงั้นเออต้องสยบให้แก่พระผู้บวชก่อนแต่ถ้าว่ายังนาควันนี้หนะนาคคนหัวปีนาคสามคนบวชด้วยกันคนหนึ่งอายุสามสิบคนหนึ่งยี่สิบเก้าคนหนึ่งยี่สิบแปดคนที่ยี่อายุสามสิบต้องอยู่นาค ที่นั่งขวาผูา้อุปชานาคที่สองคือนั่งตรงกลางนาที่สามนั่งตรงซ้ายมือคือให้บวชทีละสามได้ทีละสามองค์แค่พอบวชเสร็จแล้วองค์ที่นั่งขวามือ เ, เป็นอาวโุโสบิณฑบาตก่อนเดินก่อนนั่งก่อนอ่าอันนี้แหละคือตามขั้นตอนและท่เนเี่ยเมื่อบวชเข้ามาแล้วแต่ถ้าว่าใครผู้บวชก่อนกว่านั้นอีกทนเนี้ยก็เป็น คู่บาขึ้นไปแหละตามขั้นตอนเป็นอาวุโสเรียงตามลำดับกันมานี่แหละอันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านละเอียดอ่อนมากนะเรื่องกฎระเบียบอันนี้จะว่าไปแล้วอยู่ในศินสองรอยี่สิบเจ็ดไหมที่ของพระไม่แต่บางบางซิกขาบทอยู่แต่บางซิกขาบทเป็นศินบัญญัติเพิ่มเติมวินัยบัญญัติเพิ่มเติมเรียกว่าศิลอภิสมาจารย์ ภาวินัยนอกพระปฏิโมกแต่พระวินัยในพระปฏิโมกสินในพระปฏิโมก2 2สองอยสิบเจ็ดอันนั้นสวดทุกกลึงเดือนสิบห้าค่าดับวันเพนวันเพ น, ว, นวันดับต้องสวดอุโบสต้องทบทวนสินให้พระฟังทุกกลึงเดือนอันนั้นคือพระวินยัยการปกครองและการอยู่ด้วยกันนั่นว่าสินและวินยัยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตรัสไว้ว่า ภิกษุมีศีลแฮมีศีลภิกษุรักษาวินัยภิกษุรักษาวินัยภิกษุรักษาศีลศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นแสดงว่าศีลเป็นที่ปกครองเป็นใหญ่ในพระสงฆ์ทางวศีลพระสงฆ์ไม่เคารพในศีลพระสงฆ์ไม่มีศีลจ้ะ ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าก็หมดอย่างพระนุ่ง ก, กางเกงใชอย่างนี้จบเลยว่างั้นหมดศาสนาพระุทธเจ้าหมดแต่ว่าพระยังปฏิบัติอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยอยู่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังไปเรื่อยๆว่างั้นอืแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ว่าหากว่าการครองหรือว่าการกระทําการเป็นอยู่ภายนอก เราก็เห็นแต่ถ้าว่าจิตใจของพระสงฆ์ทีนี้จิตใจคือความรู้สึกเป็นผู้มีศรัทธาจริงแน่ๆหรือเปล่าได้ศึกษาหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าจุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความมุ่งมั่นและมีความสอนหหรรรรือออว่่าาลััักพะธมคสํสสสงนนนน้นนเรื่องอะไรอันนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องไม่ใช่ได้ อยู่ในฟอร์มเพียงเท่านี้ก็จะเป็นพระสงฆ์ไปเลยไม่ใช่จะต้องศึกษาในหัวใจของพุทธศาสนาจุ ด, จดประเด็นหลักประเด็นหลักคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าออกบวชวันเดือนหกเพนที่ได้บรรลุธรรมหรือตัดสู้ธรรมในวันนั้น ได้ตัดได้ตัสรู้อะไรหลักธรรมจุดนั้นเป็นหลักธรรมอะไรทำมจึงว่าหลักธรรมอันนี้พวกเราก็มาปวดแล้วก็ต้องศึกษาเลยนคนคว้าศึกษาเพราะผูใ้ใดเจ้าทำยังไงจึงได้ตัดสรู้ธรรมเพราะพูใ้ใเจ้าได้บรรลุธรรมจุดนั้นละ่ะจึงนำมาทมจุดนั้นละ่ะมาเผยแผ่มาขายายผลมาแนะนาสั่งสอนปวงประชาหรือว่าสานุศิธิ์ของพระ อ, องค์ นำพระธรรมคําสั่งสอนนะั้นมาสอนมาเหมือนกับท่านได้ไปเห็นเกาะฮ่องกงนะอย่างเนี้ยท่านไปเห็นเกาะฮ่องกงไปเห็นก่อนเพื่อนโอเกาะฮ่องกงเป็นอย่างนี้แผ่นดินใหญ่ اج, จีนเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านก็มาเขียนแผนที่ผู้ที่จะไปเกาะฮ่องกงเนี่ยต้องไปไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินเรือยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะไปทางบกต้องไปอย่างนี้ถ้าไปทางอากาศต้องไปอย่างนั้น อันนี้ก็คือเขียนแผนที่แหละท่านฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมพอได้ตัดสรู้ธรรมท่านก็วางแผนเขียนแผนที่ให้พวกเราปฏิบัติแหละท่ี้ผู้ที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตถาคตเคยไปพบไปเจอมาแล้วนั้นต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ท่า น, นสำหรับฆราวาสญาติโยมให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนา สำหรับเป็นพระสงฆ์ที่อยู่วงในให้มีศีลให้เดินทางสมาธิให้เดินปัญญาแตกต่างกันทําไมครวญจึงให้มีทานเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าทานคือทานคือการเสียสละเพราะพุทธายจารว่าคนที่มีมีทานเป็นคนเห็นแก่ตัวไปที่ไหนขับแคบไม่มีพี่มีน้องไม่มีพักมีพวกไม่มีเพื่อนมีมีฝูงไปที่ไหนโดเดมิแต่เอาลัดเอกเปรียบคนอื่น แล้วจะไปอยู่กับใครได้คนไม่มีทานไปอยู่กับใครใครก็เดือดร้อนทั้งหมดใครๆก็ไม่อยากจะให้มาอยู่ด้วยพอมาอยู่แล้วมาเอารัดเอาเปรียบเขาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าถ้าว่าปลอภัยก็ตามเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละรู้จักเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีไม่ใช่ว่าได้มาทั้งหมดทานทั้งหมดไม่ใช่แบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้แต่ถึงไงก็ให้รู้จักการเสียสละต่อชุมชนและสังคม ถ้าคนมีทานแล้วไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความสงบร่อมเย็นเป็นสุขถ้าคนมีทานถ้าคนไม่มีทานไปที่ไหนเดือดร้อนบุญวายนะ่ะเพราะนั้นมนุษย์ชาติต้องต้องมีทานมีการเสียสละนะมีน้ำใจนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนคารวะญาติโยมจากน่านก็มีศีล น, นะศีลสําหรับคารวะศีลห้าก็เพียงพอแล้วละ่ะศีลคุ้มครองให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบร้มเย็นเป็นสุข เราอย่าไปฆ่าเขาถ้าไม่อยากจะให้เขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขาเป็นยังไงเขามาฆ่าเราเป็นยังไงเราขโมยเขาเป็นยังไงเขามาขโมยของเราเป็นยังไงเราไปประพฤติผิดเอไม่เคารพสิทธิสามีพัญญาของเาขาลูกเต่า ข, ของเขาเป็นยังไงเขามาล่วงล้ำเราเราเป็นย <andal> ังไงเราไปโกหกเขาเป็น MM? ยังไงเขามาโกหกเราเป็น <scholars> ยังไงถ้าเราดื่มโซดาเข้าไปแล้วขาดสติ ทำความชั่วได้ทุกอย่างใช่ไหมข่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้อย่างพวกเราเห็นในสื่อต่างๆเพราะเหตุไรเพราะมันทําอย่างนัเพราะมันกินเหล้ามันขาดสตินะถ้าคนขาดสติแล้วสามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าดื่มสุราเนะ่ยอนพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นและสําหรับคารวะญาติโยมศินห้าประการน่าจะเพียงพอให้คุ้มครองโลกทั้งโลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่ามีศินห้าจากนั้นท่านแนะแนวคิดอีกทีนึง พอศีลมีศีลสมาธิเท่นีภาวนาศีลสมาธิทานศีลภาวนาภาวนาคือแนวความคิดแนแนวความคิดคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องคิดยังไงมันจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดยังไงมันจึงจะเป็นศีลเป็นธรรมคิดยังไงจึงจะคิดปล่อยคิดวางได้คนเราเกิดมานะพระพุทธเจ้าสอนทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่ง เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วพิจารณาขี้คายดูให้ขี้คายดูเรามีอะไรบ้างในโลกมีร่างกายของเราเนี่ยเป็นหลักร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะมากต่อมากแล้วปู่ย่าตายายเขาว่าเป็นของเราของเรานั้นผลที่สุดใครบ้างมีร่างกายถึงมีถึงร้อยสองร้อยปีมีไหมไม่มีเพรา ะ, ะนั้นอีกร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทิ้งมันนะ จะต้องทิ้นร่างกายนะเอบอกใจตัวเองเหมือนกันอใจตัวเองอย่าหลงนะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวของเราแล้วเงื่อนคําทรัพย์สมบัติเลือกสวนไล่นายดทามรรดาศักจะเป็นของเราได้อย่างไรออขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราให้รู้จักนะให้คิดนะให้รู้จักปล่อยวางนะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนแนวความคิดอีกเท่าไหร่ให้พุทธบริษัทของพระองค์ พุทธบริษัทสี่ของผมคืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุสา ม, มเณรเนี่ยสอนแนวความคิดที่แรกก็สอนการเป็นอยู่นะการเสียสละคือคือทานและก็เรื่องศินคือการอยู่ร่วมกันจะทํำยังไงจึงไม่ให้เดือดร้อนพุ่งวายและก็สอนแนวความคิดอีกให้รู้จักปล่อยวางไอ้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะร่างกายของต น, นแท้ๆยังไม่ใช่ของเรานะจะต้องทิ้งนะ แจะต้องผูกเผาไฟทิ้งนะอีกสักวันหนึ่งนะแเราเกิดมาขึ้นมาแล้วคนนะั้นเขาเตรียมวีซ่ให้เราแล้วนะอีกสักวันหนึ่งวันดีคือดีเขาส่งวีซ่ามาให้เราเราจะต้องเดินทางต่า ง, างประเทศแน่นอนนะอย่าไปหลงมากนะใจนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสอนสอนให้แก่สานุสิทธิ์ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในวันเดือนหกเพนเหมือนกันท่านก็จะหยุดพูดลเะท่านก็บอกว่าขยะวยะธรรมมาสั้งฆ่าราสังขารขาทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะพระพุทโธก็จะทิ้งขันอยู่แล้วในทิ้งร่างกายอยู่แล้วสังขารก็คือร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงท่านจะต้องทิ้งอยู่แล้วในนาทีอัปมาเดนะสัมปาเดธะ ขอให้ท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือพระพุทธเจ้าปฉิมโอวาทหรือเ่าโอวาทของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายแต่ฉันก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอีกเลยเป็นวาจาอันไม่ตายตเรามาพิจารณาดูแล้วประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแล้วก็เตือนว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะ อย่าไปรุ่มหลง ม, ม, มัวเมากับมันมากเกินไปนะร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงน ะ, เ, ะเรานตัวอย่างเราจะทิ้งมันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็คืออะไรเราอยู่ณสถานที่ใดที่ใดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อทำหน้าที่ ให้ดีที่สุดในฐานะที่ว่าเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของวัดเป็นหัวหน้าผู้นําของพระในวัดในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นตัวอย่างของลูกเมื่อเราเป็นหัวหน้าบริษัททางร้านเมื่อเป็นเท่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเขาเราก็พยายามดูดีที่สุดในกิจการงานของเขาดูแลลูกน้องปกป้องเขาให้เขามีความร่มเย็นเป็นสุขดูแลให้ดีที่สุด เมื่อเราเป็นลูกเราก็เป็นลูกที่ดีที่สุดอย่าให้พ่อแม่หนักอกหนักใจเมื่อเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดให้เชื่อฟังจุดประสงค์ ข, ของท่านเป็นยังไงที่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยจุดประสงค์ ข, ของท่านคืออะไรอย่าให้ท่านหนักใจไอ้อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเราอยู่ในสถานะไหนให้เป็นคนดีอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราอันนี้แหละเนียกว่า ประโยชน์ตนจะให้บกพ้่องประโยชน์คนอื่นประโยชน์คนอื่นก็คือเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรได้เดี๋ยวนี้เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราจะช่วยยังไงกับพื้นแผ่นดินไทยอย่างหลวงพ่อก็ช่วยโรงเรียนช่วยสร้างโรงเรียนช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลช่วยสาธารณประโยชน์สิ่งไหนที่จะเกเป็นประโยชน์กับชุมชนเราก็ไม่ไม่ดูได้ อย่างน้อยก่็เรามีกําลังขนาดไหนเราพอที่จะช่วยขนาดไหนได้หรือเอาช่วยไปอันนี้คือแปลว่าประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือสรุปแล้วก็คือเรามาพิจารณาวิเคราะห์ดูแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคํานี้เป็นคําที่เป็นธรรมที่สุดว่าไงนะเป็นธรรมที่สุดมาวิเคราะห์ดูแล้วประโยชน์ตนและประโยชน์ทานตั้งแต่เตือนอีกว่า ขยะวยธรำมาสังขาราสังขานทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนอะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาเกินไปเนอะอัปปาเดนะซัมปาเดธะสัมปาเดธ ะ, ะ, ดะและก็ขอให้ท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนะนี่แหละในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชบวชมาอ ย, ย่างไงมีกฎระเบียบอย่างไงวินัยเป็นมาอ ย, ย่างไงพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลวินยัยสําหรับพระสงฆ์พระสงฆ์ยุคนั้นสมัยนี้ เป็นยังไงคนที่ไม่ครบกฎระเบียบเป็นยังไงแล้วพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่อะไรที่จะแนะนำสั่งสอนสานุสิทธิ์จากนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วทำตนอย่างไรจุดหมายของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดภาพประสงค์ของพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นพระพุทธองค์ให้พวกเราทาอะไรเข้ามาบวชแล้วศึกษาเรื่องอะไรเรื่องศีลสมาธิปัญญาสาหรับ พระศีล ส, สมาธิปัญญาสำหรับฆราวาสญาโยมทานศีลภาวนาทำไมทานทำไมจึงให้ทานแล้วก็หลวงพ่อก็ได้พูดศีลทำไมจึงรักษาศีลไม่ให้ตนเอียงเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนทำไมจึงแนะนำเรื่องสมาธิให้ปล่อยวางทางด้านจิตใจอย่างไรจากนั้นก็นี่แหละพระพุทธเจ้าสอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนยะเพราะ น, นั้นวันนี้หลวงพ่อได้ ปูกแนวเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้านะาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะให้พรแล้วก็พร้อมกันก็วันนี้ก็ฉันจังหารเสร็จแล้วก็คงจะบวชนะเตรียมตัวบวชนาคทั้งสาม่ะบวชนาคทั้งสามเป็นพระไว้ในพระพุทธศาสนา